ความทำกามสบายเนาะปกติที่วัดหลังจากธรรมวัดเชาแล้วก็ธรรมัดเย็นก็จะบรรยายธรรมนะมเพราะว่าเป็นอะไรส่วนหนึ่งเราก็บรรยายโดยตัวของเราเองเนาะสร็จพร้อมกันก็คือบรรยายตามตามข้อสูตรหรือว่าตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียบเรียงเป็นเรียกว่าเป็น คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระนธรรมคุณของพระสงค์แล้วก็เป็นประสูตรย่อยๆที่ให้พวกเราได้ในใ น, น้อมมาสู่จิตส่วใจของเรานคะือที่จริงเราเราสวดมวนต์ทำบัตรเนี่ยไม่ใช่สวดเพื่อบูชาอ้อนบอลขอร้องนะบางบางทีนะบางศาสนาหรือว่าบางรัฐที่บางคนเชื่อเวลาสวดมวนต์เนี่ยเหมือนคล้ายๆสวดขอร้อง ในหลายๆที่ก็าสวดก็ขอร้องพระเจ้าขอร้องเทพเจ้าเพื่อคล้ายๆถ้าทําแบบนี้นะก็เหมือนท้ายๆเป็นเป็นคนดนะีเป็นคนที่ดีในศาสนาพระเจ้าหรือว่าเทพเจ้าก็จะเมตตาอนุเคราะห์ให้ประสบกับสิ่งดีๆแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ได้สวดมนต์เพื่ออ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าให้ ถ้าอารหันต์หรือพระพุทธเจ้ามาดนมนดาลให้เรานะเป็นคนดีหรือว่าเจอสิ่งที่ดีๆเท่านั้นเนาะแต่เราสวดมนต์เพราะว่าเราสวดเพราะเห็นว่าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะท่านนะเกิดมาในโลกใบนี้ทำให้พวกเราได้มีที่พึ่งนะถ้าไม่มีพูดพุทธเจ้า นะตัสรู้นะพวกเราก็คล้ายๆจะมุด ห, หมนก็ไปตาบช่วกาลนานนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ปุถุชนคนธรรมดาจะสามารถรู้ธรรมะได้เองนะถ้าไม่มีผู้รู้มาตัสรู้ก่อนก็คือพระพุทธเจ้าที่ตัสรู้นะก่อนแล้วก็ไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ รพระปเจองพพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้เองแล้วก็ไม่ได้บอกสอนต่อนะเรียกว่าผืนพระปเจองพระพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคือผู้ที่รู้ธรรมะแล้วก็นํามาบอกต่อกับพวกเราด้วยนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่มีคุณค่ามากอย่างปีนี้พวกเราคงได้ยินกันกันเกลื่อนนะทั่วทั่วเมืองไทยนะ ปีพุทธช ย, ยันตีสองพันหร้อยปีนะปีนี้ก็โหมโรงกันเป็นปีที่คล้ายๆเป็นปีมหามงคลสองพันหร้อยปีที่พระพุทธเจ้าท่านท่านตัดสรู้นะตัดสรู้ธรรมะหรือว่าชั ย, ยันตีนี่แปลว่าชนะชัยชนะอ่านะชัยชนะที่ทำให้เกิดเป็นพุทธะเกิดเป็นุรธเจ้าขึ้นมาอ่านะ เมืองไทยเราก็นับถือว่าเป็นปีนี้แต่ในบางที่นะในบางประเทศเช่นประเทศรีลังกาหรือประเทศอินเดียเองนะ<ม>เขาจะรอมกันตั้งแต่ปีที่แล้วเขาเขานับพอศหนึ่งในปีที่พระเจ้าท่านปรินิพานแต่ของไทยเราปีที่พระเจ้าท่านปรินิพานเรายังนับเป็นพอศศูนย์หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็ค่อยเป็นเป็นพอศอที่หนึ่งเพนะั้น ใ น, ในหลายประเทศก็เขาก็ฉลองกันไปก่อนแล้วแต่ก็จะจะฉลองปีไหนามาว่าก็ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เรานะเรียกว่าทำการบูชาพราะพุทธเจ้าหรือบูชาพราะธรรมบูชาผสมด้วยการปฏบิบัติบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่ามากนะเราจะบูชาเพราะว่าปีนี้เป็นปีพุทธศัยันต์ีในการ ประกาศในการจัดงานในในการอะไรต่างๆก็ยังเป็นแค่ภายนอกนะแต่ภายในแท้จริงแล้วเรามาปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สืบทอด อ, อายุขอรร้อศาสนาได้ได้ตรงที่สุดนะเพราะว่าถ้าเรามีเพียงแค่วัดมีแค่แค่งานมีเพียงแค่รูปแบบแตถ่ถ้าเราไม่มีเนื้อหา ไม่มีภาคการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นแค่จัดงานวัดเฉยๆนะหรือเป็นแคนะ่มีพิธีกรรมเฉยๆแต่แท้จริงแล้วพุทธศาสนาที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องหลักธรรมเรื่องหลักธรรมนะแล้วหลักธรรมเนี่ยมันจะสืบทอดได้ก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะดึดลงในก็ใจปิดก ในหนังสือว่าในซนะีดีเราทรมากก็จะอยู่เช่นนั้นตลอดไปเพราะว่าอะไรมันเหมือนเหมือนเราเรียนหนังสือนะเราอาจจะมีหนังสือเทควิชาต่างๆมากมายแต่ยากนะที่เราจะอ่านแล้วก็เข้าใจเองถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาอธิบายหรือว่ามาแก้ไขความไม่เข้าใจให้ถูกต้องของเราเองคือหนังสือหนังหาความรู้ภายนอกยังต้องอาศัย อาจารย์ที่คอยมาอธิบายมาถ่ายทอดหรือว่ามาทําให้เราเกิดความเข้าใจนะแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ชราดแล้วก็ศึกษาอ่านเองก็เข้าใจได้นะหรือบางทีเข้าใจมากกว่าอาจารย์ก็ได้นะแต่นั้นคือความรู้ภายนอกบางทีมันก็ยากต้องอาศัยคนช่วยมากขนาดนั้นแต่พระไตรปิฎกนี่หรือว่าธรรมะนี่มันยากนะที่ที่คนคนหนึ่งแค่อ่าน แล้วก็จะเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวของตัวเองดังนั้นมันก็จะองมีคนที่เรียกว่าปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็มาถ่ายทอดต่อให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจนั้นการมีพระสงฆ์นะก็เลยเป็นสิ่งที่ ท, ที่ตามมาทําให้พวกเราได้สืบทอดพุทธศาสนาถึงทุกวันนี้เนาะแต่ที่จริงความเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันมันคงไม่ใช่จํากัดเพียงแค่ว่า ต้องมีเครื่องแบบหรือว่าต้องมีชุดการบวชแบบแบบที่อาตมาใส่อย่างเนี้ยที่จริงอันนี้ยังเป็นสงโดยสมมตินะเพราะจะเอาถ้าเราส่วนมนต์เราจะเห็นว่าที่จริงสงก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้เจ้าเจ้าใช่ไหมปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบตัติเพื่อออกจากทุกข์แล้วก็ปฏิบัติสมควรปฏิบัติดีคืออะไร คือเราปฏิบัติถูกต้องหรือว่าดีงามนะทำให้จิตใจเราดีงามมากขึ้นนะดีตรงที่อะไรคือดีตรงที่ไม่ทำความชั่วนะสิ่งการที่รักความชั่วเนี่ยก็คือความดีแล้วนะปฏิบัติตงตร ง, ตรง ต, รงตรงตามอะไรตรงตามพระธรรมวินยัยนะไม่เฉออกไปนอกด้นอกทางนะแต่เรื่องของศีลก็ดีเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของอ ทวิปัสสนาก็ดีนะไม่เฉออกไปนะที่จริงพอเราปฏิบัตินะมันจะมีทางที่ที่เฉออกไปให้เราหลงทิศผิดทางได้ไดง่ายเหมือนเราขับรถกันนะถ้าเราเฉออกไปนอกถนนนะมันก็ตกถนนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไม่ตรงนะมันก็หลงทิศผิดทางได้ง่ายปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์นะเราไม่ให้ปฏิบัติเพื่ อ, อหวังรับ ยศสรรเสริญหรือว่าปฏิบัติเพื่ออวดว่าเราเก่งปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นเจ้ารักชีแก่รักชีอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใชปฏิบัติเพื่อ ใ, ใครนับถือบางทีพระเจ้าท่านจะตัดไว้นะตัดเตือนเตือนผสมหรือว่าบางทีก็เตือนญาติโยมนั่นแหละนะท่านบอกว่าภรอาจารย์นเนี่ยเราประพฤติไม่ใช่เพียงเพื่อราบสตาระหรือว่าสรรเสริญเยินยอเราประพฤติไม่ใช่เพียงเพื่อ อันนี้สมก็เป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้พรหมจารย์ น, นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อให้ใครนับถือเรานะแต่พรหมจารย์เ น, นี้ยเราประพฤติเพื่ออะไรเพื่อสัมวระคือความสํารวมระวังคือสํารวมอินทรีย์นะอ่าเพื่อประหานะประหานะคือการประหารกิเลสนะไม่ใช่ถนอมกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นประหารกิเลสนะ เพื่อวิลาคะวิลาขะคือเพื่อคลายความกำหนัดยินดียินดีในใดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโธทพะหรือว่าทำอารมณ์ก็คือยินดีในในอะในเรียกว่าอายตนะภายนอกนะหรือว่าแล้วก็ละความยินดีในในจิตภายในที่มีความชอบความชังเกิดขึ้นแล้วก็มอาจ์ฌานนี้เราประพฤติเพื่อนีโรทะ คือความดอดทนอันนี้คือพระเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อลักการ4ี่อย่างนี้น ะ, ะเพื่อหลักการ4ี่อย่างนี้ถ้าเราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็เป็นเป็นไปในแนวนี้คืออาจจะไม่ใช่พระหรือว่าเป็นนักบวชแต่ถ้าใครประพฤติตามนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรารย์นะในสมัยพุทธกาล ม, มีมีญาติโยมมากมายนะที่ แม้ไม่ได้บวชนะแต่ก็เป็นพระอริยบุคคลนะตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปจนเป็นพระอนาคามีนี่ค่ะก็มีเยอะนะนะหรือบางคนบางลูกก็เป็นพะระอรหันต์โดยที่ยังไม่ได้บวชเลยพนละังไปหาพราใตมาบวชหาบาทมาบวชแต่ยังไม่ทันได้บวชก็โดนโคไม่รักอ่อนปิดตายก็มีก็คือที่จริงการเป็นพะระอรหันต์บางคนก็เป็นตั้งแต่ตอนเป็น เป็นโยมนี่นแหละจิตใจแต่จิตใจเป็นพระแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่สามารถทําได้นะ ค, คือคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าใครปฏิบัติตามก็ก็ได้ผลจริงอันนี้คือมันไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดเชื้อชาติที่จริงไม่จํากัดแม้แต่ศาสนาได้ั้งไปบางคนยังไม่ได้ยังไม่ได้กล่าวอนับถือพระรันาตนตรัยได้ซ้งไป แต่จิตใจนี่เป็นพุทธะแล้วนะไม่จำกัด บ, บางคนยังนุ่งห่มเป็นความอยู่เลยนะจิตใจมนรู้ธรรมแล้วก็มีนะที่จริงมาเป็นความเรียกว่าสมุดงามนะสมุดงามของของพุทธศาสนานะของคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่นี่ก็พอขึ้นมาเวลา น, นี้พอเราเห็นลูปหลังไหมสวยดีนะมีหลายแบบมากเลยนะ ด้านนี้ก็เป็นอาจารย์พุทธทาสแบบพระไทยพระเทรวาสด้านหลังก็พระุ พ, พธรูปเนี่ยก็เป็นสไตล์พม่านะหินอ่อนสีขาวนะด้านหลังก็มีภาพเขาเรียกว่าธรรมกาของเป็นแนวทิเบตพุทธแบบทิเบตแบบบัชรยานข้างบนไปเออข้างๆอีกก็เป็นอ่า ภาษาจีนนะคงเป็นธรรมะภาษาจีนแบบมหายานข้างบนสุดก็เป็นภาพวาดของไทยนะเรื่องราวอะไรเรื่องราวของพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะโพรจาย์นั่งอยู่ข้างบนนะด้านโน้ น, ะนก็ผมเดลรยดายมา <c oughs> นะครบทั้งสามครบทั้งสามนิกายนะครบทั้งสามนิกายก็คือเทรวาสนะหรือว่าบางทีก็เรียกว่าหินญาญ แล้วตัมหายานก็เป็นแบบพวกจีนพวกญี่ปุ่นอะไรเนี้ยนะแล้วก็วัชรยานแบบภูธานหรือว่าทิเบตรหรือบางคนก็อาจจะแบ่งแค่สองคืออหินยานกับมหายานแต่ส่วนใหญ่บางทีก็จะแบ่งต่างกันเนี้ยนะนนี้ก็มีความหลากหลายแต่จริงสำหรับพี่นายทีนะที่จริงก็ทั้งสามทั้งสามทางนี้ก็ที่จริงก็มุ่งสู่จุดเดียวกันนะมุ่งสู่ มรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปบ้างคือแตกต่างที่ข้อวัดปฏิบัตินะเรื่องของศีลเรื่องของประเิณีเรื่องของกา ร, ร ม, มึงห่มแต่ถ้าเนื้อหาภายในแล้วก็ไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันนะอนอกจากถ้าบางคําสอนอาจจะเขียนไปบ้างหรือว่าไปไม่ถึงบ้างก็อาจจะมีนะแต่ถ้าร้บศึกษ า, าดีแล้วถ้าเป็นตัวที่เป็นดัก แก่นจริงๆก็ก็ไปถึงที่เดียวกันแต่จริงแ ต, แต่ถ้าเราสนใจพุทธศาสนาทีงแค่เปลือกเช่นหรือว่าไม่ใช่เปลือกนะหมายถึงว่าทําไมถึงแบ่งเป็ น, เ, ปนเทระวาทมหาย า, ยานหรือวัชรยานมันก็จะไปทําให้เรามุ่งเน้เนไปเรื่องการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของประเพณีพิธีกรรม ต, าม ต, ามตาม่างๆแต่จริง พอเราได้ยินคาสอนนะมาได้ยินของเรื่องของหลวงพ่อเทียนท่านสอนว่าศาสนาเนี่ยคือเรื่องของของเราคือเรื่องของคนอันนั้นพอเรามาโฟกัสศาสนาเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องที่คล้ายๆเป็นเรื่องที่เป็นองค์กรนะแต่หลวงพ่อเทียนท่านสอนว่าศาสนาเนี่ยคือเรื่องของคนนะคน ศาสนาไปว่าอะไรเป็นที่พึ่งนะคนเราทุกคนนี่ต้องการที่พึ่งเพราะนั้นที่พึ่งอะไรที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงคนส่วนใหญ่บางทีก็จะพึ่งวัตถุภายนอกนะพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งชื่อเสียงเกียรติยศพึ่งเพื่อนพึ่งญาติพึ่งสิ่งต่างๆมันก็พึ่งได้ในระดับหนึ่งเนาะพึ่งได้ในระดับหนึ่งทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ที่พึ่งภายนอกเนะี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งภายนอกซึ่งไม่สามารถพึ่งได้ตลอดไปเนาะเรามีเพื่อนเรามีแฟนก็พึ่งได้แค่ชั่วครั้ชั่วคราวอบางทีวัตถุพวกนั้นแหละยิ่งทําให้เราทุกข์อีกก็มีใช่ไหมบางทีก็ทําให้เราพึ่งได้บางทีก็ทําให้เราทุกข์ใจด้วยตามไปเพราะนั้นวัตถุภายนอกนี่ก็พึ่งได้ในบางคราวแต่ที่พึ่ง ในของจิตใจของเราเรามีที่พึ่งเร้ก็ยังเะนั้นผมพระเทียนก็เลยย้ำว่าที่จริงศาสนาคือเรื่องของคนนี่แหละคนเราถ้ามีที่พึ่งทางใจนั่นแหละคือคนที่มีศาสนาไม่ใช่คนที่แค่ประกาศตนในทะเบียนบ้านว่านับถือศาสนาอะไรแต่ถ้าใครสามารถพึ่งใจตนเองได้นะคนนั้นคือคนที่มีศาสนาถ้าเรากลับมาย้อนกลับมาดูเราเองว่า เราสามารถพึ่งใจของเราได้ไหม <c oughs> เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถเรียกว่าแก้ไขปัญหาโดยที่ใจไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าคือเห็นว่าปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์ใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะปัญหานี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดไปแม้โยมจะแม้จะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระ เป็นาร ะ, ะหันก็มีปัญหานะโยมนะอย่างปัญหาเรื่องตายเนี่ยก็มีกันทุกคนมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายปัญหาเรื่องการงานเรื่องความไม่เรียบร้อยไม่ใช่มีแต่ในองค์กรในบริษัทในครอบครัวนะในวัดในศาสนาก็มีเหมือนกันที่ต้องจัดการแต่พอเราศึกษาธรรมะเราจะเห็นว่าปัญหามันก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันแบบนี้นะ แต่คนส่วนใหญ่พอเกิดปัญหาก็เกิดความทุกข์ตามมาทันทีมันแยกไม่ได้ว่าปัญหาเป็นสิ่งภายนอกความทุกข์เป็นสิ่งภายในปัญหามีไว้เพื่อแก้นะแต่ความทุกข์ในใจเราเนี่ยเราต้องเรียกว่าปล่อยวามันไปอันนี้คือคือปัญหาภายนอกไม่ใช่ริ้งนะคนเราบางทีศึกษาธรรมะแบบแบบเรียกว่าจับต้นเชิปลายไม่ถูก ทำตนเป็นคนหนีปัญหาไม่ไเผชิญหน้ากับปัญหานะเรี่ยงปัญหาไปเรื่อยนี่ก็ไม่ใช่นะปัญหาภายนอกนี่เราต้องเผชิญหน้าเราต้องแก้ไขนะแก้ไขไปแต่แต่การทุกข์ใจเนี่ยเราต้องปล่อยวาง <c oughs> เราต้องปล่อยวางจิตใจให้ปล่อยวางนะใจปล่อยวางให้มันไม่ทุกข์แต่ก็เอาสติปัญญาไปแก้ไขปัญหาภายนอกอันนี้คือการที่จะปล่อยวางในจิตใจได้คืออะไร แต่เราก็ต้องมีที่พึ่ง น, นะใจเราเนี่แหละที่ฝึกขัดดีแล้วเนี่ยจะเป็นที่พึ่ง น, นะใจที่มีที่พึ่งก็คือใจที่ต้องเรียกว่ามีความรู้ตัวนะว่าตอนนี้ความทุกข์มันมันเกิดขึ้นในใจนะเมื่อเรารู้ทันว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเราจะวางความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนี่เราจะวางความทุกข์ไม่ได้นะคล้ายๆเอาอยิ่งง่ายเหมือนคล้าย ถ้าเราโดนยุงกัดนะหรือว่าโดนเห็บกัดนะมันกัดเราแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่ายุงมันกัดว่าเห็บมันกัดนี่เราไม่สามารถเอามันออกได้นะไม่สามารถปัดหรือไม่สามารถเอามันออกได้มันก็กัดเจริญท่านมันอิ่มความมันแล้วก็คายลงไปนะบานทีก็เหมือนกันนะความทุกข์ก็เหมือนกันบางทีเราก็ปล่อยให้ความทุกข์นี่จมแค่อยู่ในจิตใจเราหน้านเจิญท่าน มันเบื่อแล้วก็อิ่ไปของมันเองนะก็เลิกไปเช่นเราเสียใจแล้วก็ร้องไห้จนจะเหนื่อยแล้วนะก็ก็เลิกร้องไปหรือเราโกรธนะโกรธจนโกรธจนพอใจละ <c oughs> ก็เลิกโกรธไปนะอันนี้เราปล่อยให้ความทุกข์มันมันกินใจเรานะเจอทั้งมันอิ่มนะเหมือนคล้ายๆยุงมามากัดมาดูดเลือดเราจนทั้งมันอิ่มนะ ถ้มามันดูดเลือดเราจนทั้งมันอ้วนทีก็าาหายไปแต่นั้นถ้าเรามีสตินะมันจะทําให้เรารู้ตัวได้เร็วนะรู้ตัวว่าทุกข์มเมื่อไหร่สติจะ ท, ะทําหน้าที่เรียกว่าตัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจนะเราต้องรู้จกักทุกข์นะนั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้จกักทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์พระเจ้าท่านตัดไว้เลยอายะสัตติข้อแรกก็คือทุกข์นะคือสิ่งที่ต้อง กำหนดรู้แต่คนส่วนใหญ่หนีทุกนะะอะไรที่เป็นทุกข์เราพยายามหนีเราพยายามเลี่ยงเราพยายามหลีกแต่พระเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้จากความทุกข์แล้วก็ข้อสอนท่านบอกว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไรก็คือความอยากก็คือตัณหาคือความไม่รู้ความจริงนี่คือสาเหตุของความทุกข์ท่านให้ละนะละสะัละที่สาเหตุ รักที่ความอยากรักที่ความหลงนะ น, นี่ก็คือมันจะทําให้ความทุกข์มันหมดไปถ้า ท, ทําเช่นนี้ได้ก็จะไม่ทุกข์ก็คือนิโรธนะแต่ก่อนจะถึงนิโรธนิโรธมันเป็นผลก่อนจะได้นิโรธคือมันต้องจเจริญมรรคก็คือนะเรียกว่าเดินทางสายกลางหรือว่าทําจิตให้มีสตินะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะมันก็จะทําให้เราเรียกว่า นะจะเดิญมัก้นไปเรื่อยจนทั้งจิตมันไม่ทุกดัะนั้นศา ส, สนานะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้จักทุกแล้วก็ออกจากความทุกถ้าใครปฏิบัติตามตรงนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเรียกว่าเป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจนะนะพุทธศาสนาคือตัวเราทุกคนนั่แหละที่มีที่มีธรรมะที่มีพุทธะในจิตใจเนะี่ยคือเรามีพุทธศาสนาละวนะ พุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่มีพระพุทธรูปนะมีตรงธรรมจักรหรือว่ามีผ้าเหลืองผมแบบนี้นะแต่พุทธศาสนามันเกิดขึ้นที่ใจเราที่รู้ตื่นเบิกบานเหมือนที่เราสวนมนตใช่ไหมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอันนี้แหละเราสังเกตถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะตอนนั้นแหละทำไมเราสูรได้ว่าตัวรู้หรือว่ารู้สึกตัวก็คือว่าเมื่อมันดูแล้วมันจะ มันมันรู้ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้มันตื่นตื่นเราจะตื่นออกจากกิเลสนะตื่นออกจากอวิชชามันเบิกบานคือมันมีความสุขนะแต่เป็นความสุขที่จิตใจนะความสุขที่ปราณีความสุขที่เกิดจากการไม่ทุกข์สภาวะนี้แหละก็คือสภาวะที่เราปฏิบัติทำนะให้ให้เกิดสภาวะนี้พุทโธเนี่ ย, เ, ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะเกิดขึ้นในจิตใจ ของเราบ่อยๆนะที่บางที่อาจจะภาวนาพุทโธนะแต่นั้นก็ยังเป็นสมมุติที่ภาวนาแต่ถ้าภาวนาแล้วทําให้ใจเป็นพุทโธจริงๆก็ ก, ก็ก็ใช่ทางนี้เช่นเดียวกันนะหรือใครจะไม่ภาวนาแต่ถ้าใจิตใจเรามีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ก็ก็เป็นแนวทางที่พระเจ้าท่านสอนเหมือนกันอันนี้ให้พวกเราได้พยางฝึกนักให้ใจเรามีสภาวะที่เรียกว่ามันมีผู้รู้เกิดขึ้นนะ ทุกครั้งที่เรามีสติรู้ตัวนั่นแหละมันเกิดตัวรู้ขึ้นละนะแต่ครับแต่ตัวรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นคล้ายเกิชั่วคราวนะในการฝนะึกเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ชั่วคราวขณะที่เรารู้ว่ากายกำลังนั่งนะถ้าถ้าเรารู้ว่ากายกําลังเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ตัวคือเห็นใจเนี่ยจะรู้ว่ากายมันทํานะมันจะค่อยๆแยกใจอยู่ตำหาก กายก็ทำไปใจมีหน้าที่เพียงแค่รู้หรืออารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจเราก็แค่เห็นว่าอารมณ์เกิดขึ้นแต่อารมณ์นั้นไม่ใช่เรามันจะแยกอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งกายที่นั่งที่เดินที่ยืนก็เป็นส่วนหนึ่งนะตัวรู้จะทำหน้าที่แยกแบบเนี้ยเมื่อเราแยกก็จะเห็นว่าอ้อที่จริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนาะมันมีแต่สภาวะที่เรียกว่า กายหรือว่าใจนักภาษาภากลเรกว่ารูปหรือว่านามเท่านั้นหรือถ้าจะละเอียดกันนั้นก็คือรูปมันก็คือแค่ธาตุสี่เท่านั้นเนะาะธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันเป็นรูปเป็นร่างนะเป็นหน้าตาเป็นสสารเป็นวัตถุเป็นบุคคลนะที่จริงพวกเราต่างกันนั่นเดียวนะมันต่างกันแค่ภายนอกแต่ภายในนี่ก็แทบจะเหมือน ก, นกันก็ว่าได้นะประกอบด้วยธาตุนะ มันต่างกันที่หน้าตารูปร่างลวดเทศบ้างแต่จริงกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนี้พวกเราเหมือนกัน <c oughs> มีธาตุเช่นเดียวกั น, นโพรโมโซมต่างกันนิดหน่อยออยีนต่างกันนิดหน่อยนะแต่จริงโพรโมโซมคนเราก็เหมือนกันนะอันนี้คือคือรูปร่างมันต่างกันที่ภายนอกเรื่องของจิตใจนี่ก็ยิ่งเหมือนกันเลยนะพระเจ้าท่านอย่างพวกเราได้แผ่เมตตานะแผ่เมตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนฟุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายในที่นี้ไม่ใช่แค่คนนะมีสัตว์ก็คือค น, คอนสุนัขสัตว์ต่างๆนะหรือที่จริงรวมทั้งพืชด้วยนะหรือรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วนยะในครอบคุมต่างๆพระเจ้า ท, ทั้งเปรียบท่านเรียกรวงดวงว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนฟุกงเกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพอเรามองทุกคนหรือมองทุกสรพสะัตรนี่เป็นเพื่อนร่วมทุกขนี่เราเห็นต่ภาวะร่วมเลยทุกคน ท, ทุกชีวิตมีความทุกข์เราอยาจะปล่อยให้ชีวิตเนี้ยมันทุกข์อยู่ตั้งไปหรอเนแม้ชาตินี้เราว่าเราไม่สวยเราไม่รวยเราไม่เก่งสมมตินะอ่าบางคนอาจจะมีพร้อมอยู่แล้วแต่จะมีขนาดไหนจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ก็ยังมีความทุกข์อยู่จะรวยขนาดเป็นนายกเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่มีชื่อเสียงกันไหนเขาก็มีความทุกข์ของเขาใช่ไหมน่ะมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ร่าไปไม่ว่าจะเกิดเป็นใครเกิดในบภบคูมไหนก็ยังมีความทุกข์อยู่เท่ากันอยู่เสมอกาฉะนั้นคนทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งส้นน่ะเรา ก็เลยหาทางออกจากความทุกข์วยตัวของเราก่อนคราวนี้เมื่อเราเรียนรู้วิธีที่จะออกจากความทุกข์ได้เราก็จะสามารถช่วยเพื่อนร่วมทุกข์ของเราได้มาช่วยสามีช่วยภรรยาช่วยญาติช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคนที่เราได้สัมพันธ์ด้วยเนี่ยคือพอเรากลับมาเรียนรู้วิธีการออกจากความทุกข์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันจะทําอย่างหนึง่งเราพึ่งใจของเราได้พอเรารู้วิธีการที่จะพื่งใจของเราได้เราก็สามารถแนะนําวิธีทําให้คนที่เราสำคัญเขาพึ่งใจของเขาได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ไปช่วยว่าเขามีปัญหาเราไปแก้ไขให้ทุกอย่างนะไปจัด ก, การให้ทุกอย่างไม่ใช่ช่วยแบบนั้นนะแต่เราช่วยแนะนําให้เขานะช่วยช่วยตนเองให้ได้ใช่ไหมเหมือนบางคนมีลูกเราจะ เลี้ยงลูกแบบไหนให้เขาพึ่งตัวเองได้ day, แล้วก็ต้องฝึกให้เขารู้จักพึ่งตัเองใช่ไหมไม่ใช่ป้อนข้าวปอ้อนน้ําอาบน้ําแต่งตัวให้เขาตลอดไปนะเราจะสอนให้เขาพึ่งใจตัวเองได้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องสอนให้เขารู้จับพึ่งตัวเองเหมือนกันนั้นผู้จะเจ้าต้องสอนให้เราเนี่ยที่ฉันบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนาะอัตฉริอัตโนานาโะตนเป็นที่พึ่งของตนคือตรงนี้แหละตัวเราเองนี่แหละที่สึกตัวเราเองดีแล้วเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราได้ เราที่ไปสอนคนอื่นให้เขาขึ้นมาเองได้ก็เหมือนกันก็ต้อง่นอนให้เขาพึ้นมนเองในการที่เขามีธรรมะในใจของเขาเองด้วยนี้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะมีอันิสงค์เยอะเลยนะบางคนอยากจะได้บุญก็เนี่ยเป็นบุญจริงๆบุญที่สามารถเอาไปให้พ่อแม่ไปให้ในคนในครอบครัวองเราได้นะแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นวัตถุเหมือนขนมอาหารที่เอาไปปากหรนะืนั้นแต่บุญคือใจเราเนี่ยแหละมันดีขึ้น ใจเรามาเย็นใจเราสงบแล้วเมื่อเรากลับไปที่บ้านไปที่ทา ง, งานอ๋อเรามีความสงบเรามีความใจเย็นขึ้นนะอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เนนะแต่มาว่าไอ้บุญแบบนี้ะจะทำให้คนอื่นเขาสัมผัสได้นะไม่ใช่เอาหนังสือซีดีไปแล้วบอกว่าอันนี้คือเอาธรรมะมาฝากอันนั้นก็เป็นแค่ภายนอกนะแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยแหละไปปฏิบัติทรรมมา ยังโมโหร้ายกว่าเดิม น, นั่นเองค่ะยังเขาก็ไปวัดท่าไหนนอ่อนะอนี่ยยังยังขี้โกรธอยู่แต่ถ้าเรามีพัฒนาการขึ้นมาบ้างนะมาว่าคนรอบข้างก็จะก็จ ะ, จะเห็นนะแม้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะก็อย่าไปคาดขนานนั้นนะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคนนอบข้างเราได้สัมผัสแล้วคนรอบข้างเรานี่แหละจะได้บุญตามเราจากตัวนี้แหละเช่นมีคนสมมุติ เราเผลอไปทะเลาะกันคนที่มีสติก่อนเขาก็จะคนที่หยุดก่อนใช่ไหมเมื่อหยุดก่อนอีกคนหนึ่งมันจะปบมือปบข้างเดียมไม่ดังหรอกเราไม่ปบด้วยแล้วล่ะเราไม่ไทะเลาะแล้วล่ะเขาจะทะเลาะกเรื่องของเขาทะเราะกับฝาไปทะเลาะกับลมไปนะเราไม่ทะเลาะด้วยแล้วก็ปล่อยเขาไปใช่ไหมก็มันก็จะหยุดการทะเลาะได้นะอันนี้แหละคือเราก็จะช่วยกันแบบนี้แหละนะ เราก็จะเกิดทั้งประโยชน์ตนเอง <_ an> ก็คือจิต <_ an> ใจแล้วก็พบกับความสุขความสงบความเปิดบานแล้วเราก็ช่วยให้คนอื่นเขาเขาลดวความทุกข์เขาดับความทุกข์ของเขาได้มันเกิดทั้งประโยชน์ตนเกิดบ ท, ทั้งผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากนะที่พวกเรามาปฏิบัติในวันนี้แล้วก็จะปฏิบัติต่ อ, ตอไปมันจะเป็นประโยชน์ตัวของเราเองแล้วก็ นอบข้างของเรามากนะและจะเป็นการฝึดทอดอายุของพระพุทธศาสนาเนาะสองพันหร้อยปีที่มีผูเ้เจ้าท่านตัสสรู้หรือว่าประสูนต์ขึ้นมาแล้วก็ตายไปก็แล้วแต่นะแต่ศาสนานี้ก็ยังอยู่นะถ้าตาบใดที่ยังมีผู้เจริญอริยมรรมีอมแปดอยู่เนี่ยโลกจะไม่ว่างจากธาตุหันนะก็ให้พวกเราทุกคนได้ได้เจริญอริยมรรคมีอมแปดเนี่ยแหละนะอมแปดเนีอาจจะดูเหมือนมากนะ แต่จริงพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บอกว่ามันมีทางสายเอกที่จะทําให้เราเข้าถึงความไม่ทุกข์ก็คือสติปัฏฐา น, นาสี่นะสติปัฐานเนาี่ยมหาสติเนี่ยแหละเป็นทางสายเอกที่ที่คออรอบเย่อหรือว่าควบคุมทั้งเรียกว่ามรรคเหนี่ยวแปลกทั้งหมดหรือว่าเป็นวิธีที่ทําให้อริยสัจสี่มันเจริญคือแค่เจริญสติเนี่ยแหละนะ มันจะทําให้เราเข้าใจทุกอย่างนะแค่มีสตินะเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีความสุดพ้นขึ้นมาเลยนะนะคือศาสนาพุทธไม่ใด้หยุดแค่ปัญญานะแต่ต้องต้องมีวิมุติสุดพ้นด้วยนะนี่คือสติปัฏฐานนี่ยจะทําให้เราเข้าถึงตรงนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติกันให้พวกเรามีความมั่นใจว่า อันนี้คือคาําสอนของพระ เ, เจ้านะไม่ใช่คาําสอนของอาตมานนะอาตมาก็ก็ว่าตามที่พระเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะแต่ถ้าพวกเรากระทำเนี่ยก็จะเกิดผลกับเราเองนะไม่ใช่เรื่องของพรธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของอาตมาแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนี่แหละที่ยังมีความทุกข์มาปฏิบัติเพื่ออ อ, อกจากความทุกข์นะอันนี้แหละคือจะเป็นเกิดผลต่อ ต, ต, ตัวเราเอง เกิดผลต่อคนอื่นแล้วก็เกิดผลต่อศาสนาต่อโลกใบนี้ได้เนาะต่อกระปากไว้นะ่ะในในเย็นวันแรกที่พวกเราได้ได้พบกัน